การทำอย่างนี้ไม่ดีในการดูแก่เพราะแสวงหาในทางรือก็เลยมีความเย็นเ็นดุภายในจิตส่วนความรู้เห็นตางความเป็นจริงรือว่อดาดขั้นพระโตดาคือมีปัญญา ว่าสภาวะของกายและจิตนี้ตกอยู่ในสภาพความเป็นอันิจ้องไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวตนรักษาใจสุขจิตและกิจตาความดังเรตตงไปในธรรมมันนี้นย้าธาตาประมาทความรู้รูปคำคำไหว้คำรู้ในคำ ทาดีก็มันดีเขียวปับแ น, แน่ลงไปเลยห้า บ, บริสุทธิ์หมดจดไม่ได่าไม่ค้อยแล้วก็คุ้ปฏิบัติ ตาที่กคดูจานต้นข่ายตรงไหนเขามีเงินก็ให้มีนั้นก็ไม่ให้ตัวได้วัยไอที่กกดไว้รักกีวันถึงเป็นมระดมติดพระจาแผ่นดินตรงยกให้ั่วันวนตาขวนต้นตาเป็นที่พักของพระจากระตง น้ำลงนิดเดียวอย่างนะนี่เขาเรียกว่าตัดแหลแผลแห่งความปุ๊์ที่จะเกิดขึ้นความกังบนในครอบในครัวในการมีบ้านดีเรียนก็ไม่สร้างที่หมาไม่ทำทุกที่เจ้าเสดไปไหนก็ไปไา้เอาอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปพวกข่าสมาคมกระปุกสนใจในธรรมไป แต่จากเสด็จจา ก, กที่นี่ไปับวชในเมือง อ, อื่นติดตามไปก็เลยไม่มีความกังวลในบ้านในเรือนเขาไม่ได้เขาไม่ได้สร้างเหตุขึ้นมานี่ความกังวลในบนุตรภรรยาเขาไม่ได้สร้างเหตุขึ้นมาผลคือความกังวลก็ไม่มี เคยเี้ยแต่ตัวคนเดีย ว, วดเดยวี้เยแต่กายกับจิตของตัวเองนะั้นไ้ทาหน้าที่รักษากายและจิตของตัวเองนะอยู่นะฮความกังวลภาระหลายออกไปได้ส่มักมักเกิดขึ้นในท่าน ยากมักทีจะเดินได้ในระดับ่ากก็สามารถจับคุกในระดับปาได้แต่เดียววแต่ก็ยังไม่สิน้นคุกเดียววัยังไม่ดับเลยสิน้นเยยังมีอยู่แต่ก็พอมีขอบเขตเดี๋ยวไม่เลยขอบเขต ก็ทำไป3หน้าที่แต่ถ้าไปสร้างเหตขึ้นมาไปก่อเหตขึ้นมาผลนันก็เท่าเกิดขึ้นมาบวมคล้องอยู่ติอยู่เพราะมันมีเหตุให้คล้องให้สิถทาไมทำเตุให้คล้องให้ติดก็เยอะ แต่ตัวของเราเพราะฉะนั้นจึ่งควรเอาใจใส่ในตัวของเราแต่เพาะตัวของเราให้ปฏิบัติธรรมอยู่คือปฏิบัติต่อกายและจิตของเราด้วยความถึงซึ่งความดับทุกข์ความข้นทุกข์ก็คือเราจะเป็นผู้ถือเป็นผู้ได้ที่ จะเป็นไปด้วยถ้าอาวาไม่กระทำของเองนะอันนี้ท่านจริงบ่กเป็นปฏิจจตังเป็นของจำพาะตนพ้นผู้ก็พ้นจำพาะตวผู้ทำเน็ตทำกว่าเน็ตจำพาะตนทำคนเดียวแล้จะแล้วไป2คน3ามคนอย่างนี้ไม่ได้ ลองดับของใครของมันน้องน้องก็มาน้อข้ามาที่ใจเรน้อก็มาดูใจของเราน้องก็มาดูลายของเราการปฏิบัติธรรมไม่นอกเหนือไปจากที่ที่ ที่เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวที่เราจะกระทาที่เราจะผลิกปฏิบัติไม่ได้เดี่ยวๆกับคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราผู้เดีย ว, วาาถึงนพว่นน้องก็มาดูใจน้องก็มาดูกายรับสายอยู่ก็ ายและผิดของเราดีกว่ามันเลียภาระอันเดียวแะภาระในขันของเร า, าจะไปให้มันมีสองขันสามขันขันของจะมีขันของลูกขันของลานต่อไปก็เลยไปแบกไปหามไปก็หนักไปมาก ที่จะให้มันเรียออยู่เฉพาะคันเดียวได้ก็ต่อจบเห็นมันยังไม่มีเราก็ไม่ไปสร้าง มันมีขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปล่อยได้ยากวางได้ยากไม่เหมือนเราเราไม่ทำให้มันมีขึ้นมาเลยมัอยากบางคนเขาหาจัดจั่วมันจั่วกที่มาเลี้ยงไว้ทั้งที่มันไม่มีก็ไป แสวงหามาหามาแล้วก็ต้องมาเป็นภาระมาเป็นกังวลที่จะที่ขอแม่ตาเขกลัวว่าเขาจะลำบากคนสุดท้ายเเลยทิ้งเลยแหไะเไมที่งนเองก็เป็นปุ๊บเป็นกังวลที่ก็เลยเป็นกรรมติดพันกันอยู่ยงั้นมันกลับได้ที่มันร้อยละ เราใช้เย็บผ้านันก็เลยปู่ปิดกันไปแก้ไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ถ้ามีปัญญาที่จะแก้จะบอกรูดเสียแต่ต้นเหตุเมื่อมันไม่มีก็ไม่เป็นแผลามานันก็เลยไม่มีมันก็หมด ถ้ารู้มันดีแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเพราะเราเคยแสดงมาเมื่อรู้แล้วก็พอปล่อยไ้ตามกรมของใครทุ ก, ทกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นเพราะกรรมมีกรรมจะพู้ให้ผลผลดีคนชั่วเกิดขึ้นจากการกรับ เราจะแก้ออกไปจากความหวังความกังวลของเราเ้าจะตัดเรื่องที่บริโภคความกังวลจะหลักตัดออกไปอ่ะ เรื่องท้องใจเที่ยวไปตนีนอนันนั่นค้องอันนี้เดี๋ยวหลงอันนั้นลงอันนี้นเกิดขึ้นเพราะความหลงกันจป็นให้เจริญปัญญาเพื่อควา ม, มรู้แจ้งเพื่อความเข้าใจตามความเป็นาจริงเพราะไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนเป็นทุกข์อยู่ที่ใจ นี่เหตุเก <in> <poster. S 3> ิดขึ้นจะให้เป็นทุกข์ก็ไม่เคยขึ้นอยู่ที่ไหนเคิดขึอยู่ที่ตายของเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะตาเป็นทุกข์เพราะหูเป็นทุกข์เพราะจมูกเป็นทุกข์เพราะีบเป็นทุกข์เพราะกายเป็นทุกข์เพราะใจ ทำไมจิตเป็นทุกข์ตาตาเป็นกระทบรูปรูปเกิคกเกคคคดญญกความต้องการขึ้นมาเกิดความชอบความพอใจขึ้นมาใจไม่มีสติปัญญาเกิดความต้องการขึ้นมาที่ต่ทั้งขาดภูงแตง เกิดความชอบความต้องการขึ้นกระตอ n g ให้เยอะให้ใหา่ขัดขวางยิ่เกิดความ น, นับความทางขึ้นมาพรตาเห็นพราใจหาดสติปัญญาเป็นเชื่อมักษาเคยลงไปตามลุกไปตามตาทุกที กได้ยินเนสียงเกิดความรับความชามขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นทุกอยู่างที่ใจได้ยินลูกรถก็เป็นตุกเป็นทุกขึ้นมาก็เป็นทุกอยู่างที่ใจมันมีเหตุเกิดขึ้นในทางอายตนะแต่ก็อาศัยใจเป็นผู้ลง ใจมีปัญญามันมีสติยับยั้งก็ไปสัมพนะันธ์กบบเป็นโน้นเป็น น, น, น, นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วบเคยดสติตตาาต ท, ตตทัความหมดหงุดหเกิดราคะความไข่ความกําหนัดขึ้นมาภายในนี่ววเกิดความพอใจขึ้นมาความพอใจความต้องการขึ้นมา มีความอยาก ไ, ได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เมื่อไม่ได้ยังความอยากความต้องการก็เกิดความโุดหิตเรียกว่าปฏิฆะความโมดหิดเมื่อมีปฏิฆะความโุดหิตก็มีโกรธคือควา ม, มเบียบมมดดัมน ม, ม, ม, ดดมีความโกรธคือควา ม, ม, ม, วามร้อนตากไป ความโกดความอลอนก็ค uh ือความเป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์ีใจญ่สิ่งองความหลงความหลงความม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจมีบัญญาแยกแยะให้เข้าใจธรรมขอสติเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกสติให้กล้า มีความระลึกรู้ยู่ที่กิ็นในระยาบททั้งเตยืนเดินทั้งรอะไรมาตามตาตมตาเห็นรู้ก็มาทางแใ่ที่สติรู้เท่าทันยั้งยังย้งระลึกรู้ว่าเอออันนี้เป็นอาการ น, นั้นเกิดเกิดความพอใจหรือเกิดความเสียใจ มีสติระลึกรับยังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพดีใจดูให้แน่ชัดก่อนเมื่อรูว่าจริงนั้นเป็นแอะที่จะทาให้เราไม่พอใจหรือทาให้เราดีใจเราก็ไม่ลงดีใจหรือเสียใจต่ารผู้หญิงก็ลบหลัเป็นสภาวะ ที่เกิดขึ้นแลประดับไปเกิดขึ้นลยก็ดับไปไม่ยินดีอะรตามตารางแบบนา้ความใจจะติกขาเป็นกลางทำไมเป็นผู้เกิดขึ้นผู้ไดที่เสียงตังนั้นก็เ อยู่ที่ใจทะ ล, ลึกรู้อยู่ที่ใจปัญญาก็รอบรู้อยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้นะความรู้นี่ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอาการอ น, นั้นอ น, นี้ส่วนที่สําคัญก็เป็นอย่างนั้นอย่างนีเป็นจิตใจสังขารต่างเป็นความหลงของจิตต่างหรือเป็นเรื่องของกิเลส ที่เข้ามาเพื่อแฝงภายในจิตใจเราแล้วมีสตินิปัญญาเชี่ยนานรู้เห็นตามความเป็นจริงวา่าจิตไม่ใช่อาการนะอาการเรานะไม่ใช่จิตจิตตรงความเป็นผู้รู้อยู่ทั้งนัะความภูมความแตก เป็นอ า, า, า, า, า, า, าการสองกิจต่างเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพราะความหลงความแม่รู้อะไรเป็นความหลงอะไรเป็นกิตพิจารณาให้เข้าใจตามธรรมะเมื่อสติได้จดจ้องมองอยู่ที่กิจไม่ข้างเฉยแล้วปัญญารอบอยู่ที่กิจแล้วมันก็ดับใน้ขนาดนั้น อาการอะไรกระทบเข้ามาตามๆสมองรีบเลยนี่เรือดับดับปุ๊บดับลงในขณะที่มันกระทบเนี่ยนี่มีสติปัญญากล้าเข้มแข็งอยู่แล้วมันก็รอดอยู่อย่างนั้นเมื่อมันรอด ทอกระ บ, บมันก็ดับอยู่ขนาดนนหรือมันรู้อยู่เห็ดอยู่มันก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงมันก็ไม่มีอาการที่จะให้เป็นเหตุให้เกิดกเกิดขึ้นแน่แต่ในขนาดทีเดียวก็ไม่มีเหมือนกันกับที่เราไม่ต้องการในที ไปจับต้องในสิ่งที่เป็นธาตุเน่าเปื่อยไ่กินอันไหนไม่คิดอยากได้ขึ้นมาแม่แต่ขนาดปีกอันนี้ทั้นใดถ้าจิตของเราถูุากาันอบรมด้วยปัญญายแล้วยยปัญญาเห็นแก่ตามความเป็นจริงในเรื่องของทุกเรื่องของความรุ้นลหว เรื่องของคอามีิดอยู่ข้องอยู่ในขั้นขันอาญาตนะทีเนี่ยมันเห็นโทษเห็นทุกอย่างแลบบ้วมันก็มีความระหวังและไม่ต้องการไม่เกิดขึ้นแน่แท้ หาว่าูการเอาใจใส่หรือการหมันฝึกคนอบรมอยู่ก็ย่อมจะเจริญย่อมจะจับคุกได้พเพราะเราเจริญมากดำเนินมากคือการจนเจ้ามองดูที่จิของตนแตมองข้ามจิตของตนไป เอาใจใส่ในกายและจิดของเราทำรุมรักษาไปกายนี่ก็เพียงเพียออาศัยเกิดขึ้นมาจากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนข็ความหลงของเราเกิดขึ้นมาแล้วพอรักษาปฏิบัติรักษาไว้พอเป็นเครื่องมือ เรเป็นเครื่องมือสําหรับเราจะปฏิบัติงานให้สําเร็จทุกท่วงไปได้คือถ้ามันมีเครื่องมือก็ไม่สามารถที่จะทํางานให้สําเร็จประมาณเหมือนกับนายช่างผู้ํา ง, งานเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องอาศัยเครื่องมือมีเลื่อยมีมมมสิวมีกบมีอะไรสารพัดอย่าง เครื่องมือในการที่จะประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาเมื่อมีเครื่องมือแล้วก็ต้องมีวัสดุที่จะกระทําใหเ้เป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงบ้านเรือนขึ้นมาจึงสามารถที่จะทําให้สาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้ถ้าไม่มีเครื่องมือแล้วมีแต่ความคิด ว่าแทนแทนทั้งนี่ที่เคยรูปโอมบ้านเรียนนั้นกนะ็ไม่สามารถที่จะสําเร็จเป็นบ้านเป็นเรียนนะอันนี้ฉันใจเรื่องจิตใจของเราเราหมุนกันเรื่องการปฏิบัติธรรมราหมนกันต้องอาศัยสิ่งที่เป็นเครื่องมือคืองกายของเราเนี่ยทำให้จิตใจเราหมุน ที่จะให้ใจนี่รู้ให้ใจนี่รู้แบบนี้ใจใจดีเฉยมีแ่ผู้รู้ความรู้ดีเฉยไม่มีกายก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําให้ถึงความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นแบบกายนี่จะเป็นเครื่องมือที่เราจะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่า ไปจนถึงขั้นสูงสุดการการให้ทานเนี่ยน่ก็เลยเรีว่าเป็นธรรมท่านเต้องอาใจกายเป็นคู่ประกอบกระทำเนี่ยคิดคิดนึกขึ้นมาแล้วกออาใจกายไปรักษาสีธเนี่ยจะต้องเอาใจว่าใจของเาเนี่ยรักษา ทำบำเพ็ภาวนาขอบอาศัยใจนี่เหละเป็นที่ฝึกฝนปัญญาเพื่อให้ปัญญาเกิดความเข้มแข็งมีความแก้วกาทอาศัยายนี่เป็นที่ดูเป็นเครื่องมือสำหรับให้เกิดปัญญา ดูมาพ้นทิศทิศเริญนาแงอยู่ในกายของเรดูความเป็นฟุ้ของกายความไม่เจ่งแท่ของกายเป็นอย่างไรปัญญาเห็นกินแย่เห็นกินแยงตามความเป็นจริงเลยก็จะสาเร็จไปอยู่คือความปล่อยวาง เิดททิฏฐายาคือความเบื่อความหน่ายทายความกำหนัดในรูปในกายอันรูปความกิของกายอันว่าเป็นอสุภัอสุธรรมเป็นอนี้อางทุกขทงอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีประทานคความยมันหรอ่ในายกปถึง้ ความเบื่อหน่ายทายความอินดีปล่อยวางเป็นผู้เบกขาได้หรือเราจะตัดหรือเราจะทาเขาบุญกุศลในส่วนใดก็ดีในขั้นเริ่มต้นทางิีภาวนา ต้องอาศัยกาย <c oughs> เป็นเครื่องมือประกอบจึงจึงสำเร็จสมบูลลรณ์ได้ตีแตกจิตใจในี่คิดเฉยไม่ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้เนี่ยเราอาศัยกายจหตุจทำคอนเทนไว้แล้วผลที่จะได้รับเมื่อหาว่ายังไม่ก้นจะ พบชาติก็จะทำให้ถึงขึ้นความเป็นผู้ไม่ทุกข์ยากลำบากหรือว่าเข้าสูงสุขติสูมได้นีขึ้นอยู่กับการจะทำเองเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วมีเครื่องมือแล้วไม่ลงมือทำบ้าน เรียนก็ไม่สำเร็จไม่ได้นีขั้นใดก็ไม่สำเร็เหมือนเรามีเครื่องมือคือกายวาใจจิตอันนี้แล้วไม่ลงมือทำฟังเพนในทางสีมีการในทางนักปสิบติภาวนาแล้วผลที่จะเกิดขึ้นคือความเยือกเย็นจริขขงถูกพร้อมจิตใจ ก็ไม่มีเพราะเราไ ม, ม่ได้เอาเมื่อถึงเวลาที่เขายึดเครื่องมือนี้กลับไปแล้วเพก็ไม่มีโอกาสที่จะกระทำทุนงามความดีได้พยายามคือว่ายึดเอาเครื่องมือนี้กลับไปเครื่องมือคือกายเพราะในขณะที่มีเครื่องมือนี้เราไม่ได้รีบตักไม่ได้รีบตักไม่ได้ปั้นควาย เรารีบตาเขาก็จะได้มาใช้ต ma ัดไม่หยุดไม่หยาดก็ได้มากบุญกุศนที่จะเกิดขึ้นเขาตันให้ทานพระสาวกีภาวนาไปประมาณมึนก็บ่อน้ําบ่อน้ํามีอยู่แล้วน้ําก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีจอบมีสาหลายในน้ํามันด้วย ผู um k k ้ต้องการนั่าโคตรตับได้มันพยายามไม่เข้มาตาคืไม่หยุดไม่ยาดมันก็ได้มากมันก็ได้เต็มตุ่มเต็มหอยและมีปัญญาขวดขึ้เจอดขึ้นสาหลายน้นออกไปขึ้นดยขึนตับขึ้นมาก็ได้ํากใสสะอาดเูม่มีปัญญาตาเอาทั้งจอทั้ง้าหลาย ก็ได้น่าพูดเลยพอมาเมันกันเมืนกันกับการให้ทานพระท้าศีลแตมันมีปัญญาล้วก่ให้ทานท่งสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ุกเข้ากันไปเมื่อเวลได้้วได้ไม่บริสุทธิ์เว่าไม่สะอาดเต็มที่มีท่านดีบ้าท่านมีท่านดีที่ขวกสลับกันไป อาจารยผูฉ้ฉราดจะต้องกวาดจอบควแนแหมออกไปตับพาแต่น้นี่ตับเอาตับไม่หยุดอยากให้จะตับรู้ไหมตับประามเราจะตับยังจนตัวจะเต็มเมื่อมันเต็มแล้วก็หมดภาระเมื่อเต็มก็คือทำที่สุดทุกได้นะปัรยายแกย่ข้าแ ปล่อยวางธรรมคิดมัน่นหือมั่นใ น, นขันทัพห้าอาณานักรนี้ได้ น, นั้นหมดภาระหมดหน้าที่ที่จะตักบุญอุศ ล, ล, ลอันนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันการทรัพย์สินรวมกัน ผู้ไม่ประมาทไม่เกียรติข้า